วจนะที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในกิจการบทที่7ข้อ 44- ถึงหความว่าบรรพบุรุษของเราเมื่ออยู่ในถิ่นทุรกดานก็มีเต็นท์แห่งสักขีพยานตามที่พระองค์ทรงสั่งไว้เมื่อตรัสกับโมเสสว่าให้ทำเต็นท์ตามแบบที่ได้เห็นฝ่ายบรรพบุรุษของเราเมื่อได้รับเต็นนั้นจึงขนตามโยชูวาไปเมื่อได้เข้าไปยึดแผ่นดินของบรรดาประชาชาติ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงขับไล่ไปให้พ้นหน้าบรรพบุรุษของเราแล้วเต็นนั้นก็สืบมาจนถึงสมัยกษัตริย์ดาวิดดาวิดนั้นมีความชอบเฉพาะพระเจ้าและขอพระอนุญาตที่จะหาพระนิเวศสำหรับพระเจ้าของยาโคบแต่โซโลมอนเป็นผู้ได้รับทรงสร้างพระนิเวศสำหรับพระองค์ถึงกระนั้นก็ดีองผู้สูงสุดหาได้ประทับในพระนิเวศซึ่งมือมนุษย์ได้ทาไว้ไม่ ตามที่ผู้เผยพระเจนั้นได้กล่าวไว้ว่าสวรรค์เป็นบรรลังของเราและแผ่นดินโลกเป็นแท่นรองเท้าของเราเจ้าจะสร้างนิเวศอะไรสำหรับเราหรือที่จะพำนักของเราอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้มือของเราได้ทำไว้ทั้งสิ้นไม่ใช่หรือเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่เราราลึกถึงบรรพชนทุกท่านคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าประวัติศาสตร์นั้น ทำให้เราทั้งหลายรู้ว่าเราเป็นใครและทําให้เรารู้ว่าเรากําลังจะเดินไปที่ไหนพี่น้องครับในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ว่าการรับใช้ในการทํางานเพื่อพระเจ้าของบรรมชนแห่งความเชื่อของเรานั้นเป็นอย่างไรและเราจะได้บทเรียนจากการรับใช้ของท่านอะไรบ้างแต่การรับใช้และความจริงต่างที่ท่านทําให้เราทั้งหลายจะต้องไปสู่จุดที่ว่าเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะว่าเราได้เรียนรู้จากการรับใช้และประสบการณ์ของท่านเหล่านี้และจะพัฒนาการรับใช้ของเราในมุมมองความคิดของเราที่มีต่อการรับใช้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนท่าทีที่เราจะรับใช้พระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าที่อัญเชิญและก็ได้อ่านสลับนะครับในกิจการตั้งแต่บทที่6ถึงบทที่8นั้นจะบันทึกถึงเรื่องราวพิเศษของผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ได้เลือกสรรจากพระเจ้า และเรื่องราวของเขาไ ด, ได้บันทึกอยู่ในพระธรรมกิจการถึงสบทด้วยกันนะครับและผู้ที่มีรายชื่อในการบันทึกของพระธรรมกิจการบทที่6ถึงบทที่8นี่คือท่านสเตเฟนหรือสเตฟานโนนั่นเองท่านสเตเฟนนั้นเป็นคนแรกนะครับที่เรียกว่าเป็นผู้พลีชีพเพื่อพระเยซูหรือเทียว่ามาเทอร์มาเทอร์ก็คือเป็นคนที่ยอมเสียสละชีวิตเพราะความเชื่อของตน และนี่คือท่านแรกนะครับและเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากและเป็นบรระชนแห่งความเชื่อของเราในวันนี้ในบริบทพระมุทีบทที่หถึงบทที่แปดเราเห็นว่าท่านเป็นคนที่ถูกเลือกสรรจะอัครทูตสิบสองคนนะครับให้มาเป็นเรียกว่าในสมัยนั้นนะครับเรียกว่าเป็นคณะผู้ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์รวมทั้งสิ้นมีเจ็ดคนด้วยกันพี่น้องครับในสมัยนี้ ก็เรียกว่าเป็นคณะมัชขนายกนะครับก็คือเป็นคนที่คอยบริการเป็นคนที่คอยดูแลให้งานและกิจการของพระเจ้านั้นดําเนินไปด้วยดีในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของอาคารสถานที่นะครับเรื่องของสังคมสงเคราะห์เรื่องของการประกาศและอาาัครทูตทําอะไรครับอาาัครทูตก็มีหน้าที่ในการอ่านพระวจนะสอนพระวจนะอธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้าและเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่เป็นตัวแทนนะครับระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์แต่ไม่ใช่เป็นคนกลาง คนกลางนั้นมีอยู่ผู้เดียวคือพระเยซูครับด้วยเหตุนี้การที่พวกเขานั้นได้ใช้มาตรฐานการคัดเลือกคนของพระเจ้าเข้ามาดูแลในตำแหน่งที่สำคัญสาคัญนี้นะครับมีอยู่สาบวกสองนะครับคุณสมบัติสามบวกสองคุณสมบัติอันแรกก็คือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีคนเจ็ดคนนี้นะครับต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีภาษาอังกฤษจะว่า good reputation reputation คือสามารถที่จะ บอกได้ว่าเสียงส่วนใหญ่หรือคนส่วนใหญ่นะครับรับรองว่าคนคนนี้เป็นคนดีครับเป็นคนที่มีความซื่อสัตว์นี่คือคําว่าชื่อเสียงดีอันที่สองคนปฏิบัติประการที่สองก็คือประกอบด้วยผู้มีญาณบริสุทธิ์คําว่าประกอบด้วยผู้มีญาณสุดนั้นมีความหมายว่าได้รับการเติมเต็มหรือมีมีชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยผู้มีญาณบริสุทธิ์เพราะชีวิตของเขาเนี่ยเป็นชีวิตที่มีผลของผู้มิญญาณนะครับเกอย่างและมีของประทานของผู้มีญาณบริสุทธิ์เพราะฉะั้นคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่คริสตจักรนั้น มีความต้องการนะครับเป็นเรียกว่าเป็นคนที่จําเป็นมากสําคับจักในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะอันที่สครับก็คือเป็นคนที่มีสติปัญญามีความคิดมีเหตุผลนะครับมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการในการรับผิดชอบต่างๆนะครับคือ3ประการแรกที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้และประการที่4ี่กับการที่ห้าคือบวกๆนะครับก็คือเป็นเรื่องที่พวกอาคราทูดนั้น เขาจะต้องทําการปฏิบัติรับใช้พ ร, พระเจ้าด้วยการคมักคำเม้นอธิษฐานการอธิษฐานนั้นสําคัญมากในภารกิจของพระเจ้าและทุกครั้งที่เราอธิษฐานนะครับเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าทํางานนะครับเมื่อเราอธิษฐานน้อยเราเหนื่อยและประการที่ห้าครับรับใช้พระเจ้าด้วยความตั้งใจจริงหรือด้วยความจริงใจนี่คือคุณบัตห้ประการที่บรรณาสิษย์ของพระเยซูในสมัยขึ้นจักยุคแรกนั้นเขาจะต้องมีในการเดียวกันครับ กลุ่มเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นที่มีเจคนนั้นสเตเฟนนั้นเป็นหนึ่งในผู้นั้นในคนกลุ่มนั้นเราจะเห็นว่าลายชื่อที่บันทึกสเตเฟนนะครับเป็นเบอร์หนึ่งเลยครับนั่นหมายความว่าเป็นผู้ที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีสติปัญญานะครับมีความเชื่อด้วยเห็นนี้เองเซเฟนจึงเหมือนกับเป็นประธานนะครับเป็นประธานของคณะหรือกลุ่มเฉพาะกิจนี้ซึ่ในสมัยนี้เราเรียกว่าเป็นประธานคณะมัคยกก็พูดได้ นอกจากนั้นแล้วพระคัมพีรก็ยังบรรยายถึงบุคลิกลักษณะทางจิตวิ ญ, ญญาณของเซเฟนนะครับพิเศษออกมาต่างหากประการแรกคือท่านประกอบด้วยความเชื่อประการที่สองก็คือท่านประกอบด้วยพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์อันนี้พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งและด้วยคุณบัติสองประการที่เป็นคุณบัตรพิเศษทางจิตวิ ญ, ญญาณนั้นทําให้ท่านสามารถรับพระคุณรับพระคุณที่มาจากพระเจ้าอย่างที่ว่เต็มเต็มและในขณะเดีวยวกันครับมีชีวิตที่เป็นพระพรนะฮะ และที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามีฤทธิเดชครับมีฤทธิเดชในการทํางานรับใช้พระเจ้ามีฤทธิเดชในการทาจจําอัศจรรย์เพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับทำให้ผู้คนและคริสตจักรของพระเจ้าในสมัยนั้นเติบโตเติบโตอย่างมากทีเดียวพี่น้องครับกลับมาดูในคริสตจักรของเรานะครกลับมาดูในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรของเราพี่น้องเราเราจะเห็นนะครับว่ามิชชันนารีที่เข้ามารับใช้พระเจ้าในคริสตจักร ในสภาคึ้นจากในประเทศไทยประมาณหนึ่งร้อปีนะครับคนเหล่านี้มีชื่อเสียงดีครับมีการมีงานทำนะครับมีเป็นคนที่จบการศึกษาในระดับที่ดีมากและเป็นผู้นําในสังคมด้วยคนเหล่านี้ประกอบด้วยพุทธมีญาณบริสุทธิ์นะครับมีเสียงเรียกจากพุทธมีญาณบริสุทธิ์ให้เขาออกมาเป็นผู้บใช้พระเจ้าคนเหล่านี้เป็นคนที่มีสติปัญญามีความคิดมีความรู้ความสามารถสามารถเป็นผู้นําของสังคมได้ คนเหล่านี้มีชีวิตที่ติดสินกับพระเยซูในการขมักขเม้นอธิษฐานอา่านพระวจนะของพระเจ้าและเขาทุ่มเทแสดงออกถึงความจริงใจในการรับใช้พระเจ้าก็คือถวายตัวปรารถนาตัวมาเป็นมิชชันนารีนะครับได้แสดงออกให้เราเห็นและด้วยเหตุนี้นะครับคดจีจักรจึงเจริญเติบโตกดีจักวัฒนาของเรานะครับมีประวัติศาสตร์มา90กว่าปีก็เป็นคดีจักรที่เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเรีนว่า ชีวิตของบรรดาชนแห่งความเชื่อเหล่านี้นะครับทุกๆ ท, ท่านเลยนะครับสามารถที่จะเป็นบทเรียนสอนชีวิตของเราสอนใจของเราและเป็นบทเรียนในการที่เราจะพัฒนาคิดเตุจักรของเราต่อไปเราทั้งหลายเป็นคนที่รับไม้นะครับเหมือนกับเป็นคนวิ่งผัดนะผัดแรกก็ส่งมาให้เราผัดสองผัดสองของเราแล้วก็ส่งให้ผัดสามของเราก็คือลูกหลานของเราต่อไปพี่น้องครับประวัติศาสตร์ทําให้เรารู้ว่าเราเป็นใครและเราจะเดินไปที่ไหน และประวัติศาสตร์นั้นทำให้ลูกหลานของเราก็จะรู้ว่าแต่ก่อนนั้นนะครับบรรพชนของเราเนี่ยได้ทนความทุกข์ยากลำบากอย่างไรมากน้อยแค่ไหนถึงมีทุกวันนี้นันครับมีหลายปีก่อนนะครับผมเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีนะครับเรามีมิชชันนารีเกาหลีอยู่ท่ามกลางเรานะครับประมาณร้อยปีที่ผ่านมานะครับมิชชันนารีเกาหลีเหล่านี้นะครับก็ได้เล่าให้ฟังว่าความเชื่อของบรรพชน ของคริสเตียนชาวเกาหลีนั้นเราพบว่าเขานั้นต้องต่อสู้กับความทุกข์ยากลาบากความยากจนนะครับความหิวโหยต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเป็นวัฒนธรรมนะเดิมที่เขามีอยู่ไปเห็นคฤศจักแห่งหนึ่งครับมีสมาชิกอยู่หลายหมื่นคนเขาก็ถ่ายรูปนะครับก็คือที่ดินก่อนที่คฤศจกักนั้นจะถูกสร้างขึ้นมา ปรากฏว่าเป็นที่ร้างเปล่ามีแต่เนินเขานะครับและเป็นที่ธุรกันดารแต่เมื่อพระเจ้าได้ทรงให้คริสเตียนชาวเกาหลีนําโดยศรีบาลชาวเกาหลีเขาไปสร้างคริสจักรนะครับวางอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นนะครับอยู่บนพื้นแผ่นดินธุรกันดานเนินเขาที่ถูกทิ้งร้างไว้กับกลายเป็นว่าคริสจักรนั้นนําความเจริญมาสู่ชุมชนนะครับและทําให้คริสจักรให้นั้นตั้งอยู่ใจกลางในสุดหลังจากนั้นเป็นเมืองที่ใหญ่มาก นี่คือประวัติศาสตร์เรากลับมาดูประวัติศาสตร์ของเรานะครับคริจักรวัฒนาและสภาคาริสจักรในภาคที่6นะครับต้องถือว่าเป็นคริสจักรที่มีประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งอาคารพระวิทยาคมแมมโคซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งผู้ที่มีความเรียกว่าสําคัญมากสําหรับโรงเรียนวัฒนาวิทยาและคลริสจักรวัฒนาประวัติศาสตร์เหล่านี้ครับ ทำให้เรารู้ถึงความคิดความรู้สึกและความรักพระเจ้าของคนเหล่านี้ที่ได้ถวายชีวิตและมีบุคลิกภาพทางด้านจิตวิ ญ, ญญาณพี่น้องครับคนเหล่านี้ถามว่าเขาเรียนรู้จากใครแน่นอนครับเขาเรียนรู้จากพวกมาเตอร์ก็คือเป็นผู้ที่เสียสละชีวิตยอมพลีชีพเพื่อองค์พระเยซูลหลายหลายครั้งทีเดียวนะครับเราอ่านในประวัติศาสตร์แล้วพบว่ามิชชันนารีหลายหลายครอบครัวนะครับเดินทางมาไม่ถึงประเทศไทยครับภรรยาของมิชชันนารี บางท่านนะครับเสียชีวิตอยู่บนเรือนะครับลูกของมิชลีอยู่ในท้องนะครับนะคลอดออกมาก็เสียชีวิตมีหลายครั้งนะครับที่เราพบว่าคนเหล่านี้นะครับต้องกลับบ้านเพราะอะไรครับเพราะสุขภาพของท่านเหล่านี้ไม่ดีนะสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราทั้งหลายจะ ต, ต้องลึกถึงว่าเรามาถึงทุกวันนี้โดยพระคุณและความรักของพระเจ้าและเรามาถึงทุกวันนี้ เพราะใครครับเพราะว่าบรรพชนแห่งความเชื่อของเรามิชชนรีผู้ได้นําข่าวบอสเสิร์ดนำการเจริญเติบโตนําการพัฒนามาถึงประเทศชาติของเราพี่น้องครับพระคัมภี์บรรยายถึงท่านสเตเฟนนะครับนอกจากท่านประกอบด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านเป็นผู้ที่รับพระคุณและเป็นพระพรมีฤทธิเดชในการทําอัศจรรย์ในขณะนั้นนะครับมีคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามนั้นมาจากธรรมสาราของทตาอิสระ หมายความว่าเขามาจากสถานที่ต่างๆนะครับและเป็นทาสอิสระเป็นคนที่มีเรียกว่ามีภูมิหลังมีเบื้องหลังที่ดีพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวอเล็กซานเดอร์ชาวอเล็กซานเดอร์หรือชาวฟินิเซียบางคนก็มาจากแคว้นเอเชียพระคัมภีร์บันทึกอย่างนี้และคนเหล่านี้ครับไม่ยอมรับสเตเฟนและเขานี่นะครับมาลองภูมิสเตเฟนมาต่ถามปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายท้เารู้ว่า คนที่ออกมารับใช้พระเจ้านะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เห็นด้วยทั้งหมดไม่ใช่ว่าทุกคนจะสนับสนุนนะครับแต่จะมีอุปสรรคมีคนที่ไม่ยอมรับมีคนที่อยู่ข้างหลังนะครับเป็นผู้ที่หวังร้ายไม่ใช่หวังดีคนเหล่านี้เนี่ยได้ทําการลองภูมิท่านเซเ ฟ, ฟนครับนะแต่ไม่สามารถเอาชนะได้ <kanske> เนื่องจากท่านเซเฟนนั้นมีคําพูดที่ประกอบด้วยสติปัญญาพรพัมพีบอกว่า ประกอบด้วยสีปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่านคนเหล่านี้ด้วยความอิจฉาครับก็รับรับไซเฟนไม่ได้เขาไม่สามารถรับสิ่งใหม่ที่เขาไม่เห็นด้วยไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากหลายหลาครั้งทีเดียวนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นวิธีการใหม่ๆแต่คลือจักรก็ไม่สามารถที่จะรับสิ่งใหม่ที่เขาไม่เห็นด้วยไม่ได้ ด้วยนี่เองจึงทำให้เกิดการต่อสู้กันนะครับระหว่างสเตเฟนและคนเหล่านี้ในธรรมศาลาปรากฏว่าเรื่องก็บานปลายครับถามว่าเรื่องทําไมบานปลายเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของหลักการและเหตุผลอย่างเดียวไม่ใี่เรื่องของหลักข้อชื่ออย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของความอิจฉาริษยาความไม่ยอมรับกันในที่สุดแล้วนะครับพวกเขาก็รอบปลูกพยานเท็จสร้างพยานเท็จขึ้นมาครับแล้วก็กล่าวหาว่าสเตเฟนนั้นเป็นคนที่ทรยศต่อาศาสนาเดิม คนเหล่านี้ไม่เห็นด้วยนะครับและวิธีการที่กระทําต่อบรรฑิตเห่งความเชื่อของเราก็คือการที่กล่าวหาว่าท่านเซเ ฟ, เฟนเป็นคนที่พูดจาหมิ่นประมาทจาบจ้วงพระเจ้าและพวกเขายังพูดสิ่งที่ไม่จริงอีกและรอบปลูกพยานเท็จและบอกว่าพระเยซูบอกว่าสอนผิดพระเยซูบอกว่าพระเยซูจะทําลายสถานที่แห่งนี้ซึ่งหมายถึงพระวิหารที่สวยงามนะครับและกล่าวหาพระเยซูจะเปลี่ยนแปลงธรรมบัญญัติของโมเสสที่โมเสสให้ไว้กับพวกอิสราเอล นี่คือสิ่งที่คนที่ไม่ชอบคนที่อยู่ปรประปักคนที่อยู่อยู่ฝ่ายตรงข้ามของเซเฟนนั้นท่านกล่าวหาสเตเฟนอย่างนี้เพียงครับในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเวลาใดที่เราตั้งใจที่จะรับใช้พระเจ้านะครับมันจะ ต, ต้องมีอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างมันมีความลําบากหลายสิ่งหลายอย่างมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นมีการติติงมีการกล่าวร้ายนะครับมีการป้ายสีเกิดขึ้นและทําให้เราหลายหลายครั้งทีเดียวเราอาจจะทอ้อถอยท้อใจ พี่นั่นครับผมอยากจะให้กำลังใจครับว่าเราจะต้องเป็นคนที่ยอมพลีชีวิตเพื่อพระเยซูเราก็อาจจะไม่ต้องถึงขนาดเสียชีวิตเหมือนกับมาเทอร์ก็คือสเเฟนนะครับคือยอมพลีชีวิตจริงๆแต่เรายอมสลาบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นความสุขส่วนตัวหลายๆครั้งเราจะต้องปฏิเสธตัวเองและแบกกลางเขนยอมตามพระเยซูไปในการรับใช้พระเจ้าในกิจการบทที่6ข้อที่สิบห้า เราจะเห็นสิ่งที่สาคัญที่บันทึกอยู่ในพรมพีตอนนี้หลังจากที่พวกสมาชิกสภาได้สอบสวนสเตเฟนแล้วพวกเขานั้นเพ่งดูหน้าสเตเฟนพงภีเขียนชัดเจนนะครับพวกเขาเห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์พวกเขาเห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์แสดงว่ามีสง่าราศีของพระเจ้าจับอยู่บนใบหน้าของสเตเฟนนะครับ เราลองคิดถึงพระคัมภีร์ใหม่เราจําได้ว่าโมเสสหลังจากที่ลงจากภูเขาซีนายใช่ไหมครับโมเสสเนี่ยต้องเอาผ้าคลุมหน้าไว้เพราะว่ารัศมีภาพลุสนาราศีของพระเจ้าเนี่ยจับต้องอยู่บนใบหน้าของโมเสสจนทั้งชาวอิสราเอลเนี่ยทนมองดูหน้าของโมเสสไม่ได้เพราะว่ามีแสงจ้ามีมีประกายมีรัศมีภาพของพระเจ้านี่ปรากฏอยู่บนใบหน้าเช่นเดียวกันครับสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นกับสเตเฟนเหมือนกัน คนของพระเจ้าจะมีสีหน้าจะมีใบหน้าที่แสดงออกถึงความชื่นชมอินดีแสดงแสดงออกถึงสันติสุขแสดงออกถึงรัศมีภาพสง่าราศีของพระเจ้าพระสตริของพระเจ้ า, พ, พ, จาพวกสมาชิกสภาเพ่งดูท่านสเตเฟนคนที่กำลังคนที่พวกเขากําลังกล่าวหาอยู่นะครับเหมือนกับทูตสวรรค์ผู้ที่รับพระคุณของพระเจ้าเปี่ยมล้นด้วยความรักของพระเจ้าจะมีใบหน้าแบบนี้ครับพี่น้องครับ เราเคยเห็นใครที่มีใบหน้าแบบนี้มครับถ้าเรามองดูรูปภาพนะครับรูปภาพในสมัยโบราณนะครับในยุคกลางนะเราจะเห็นว่าบรรดานักบุญต่างๆพวกเซนนะครับและโดยเฉพาะยิ่งพระเยซูนะครับเขาจะมีวงที่อยู่บนศีรษะเขาใช่ั้ยครับนะนั่นแหละครับคือเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของรัศมีภาพของพระเจ้าใบหน้าของผู้ชอบธรรมพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในตัวของสเตเฟน นะครับซึ่งเป็นผู้พลีชีพเพื่อพระเยซูเป็นคนแรกจากการสอบสวนของมหาปุโรหิตนะครับและการสร้างม็อบการก่อม็อบทําให้พลังมวลชนต่อต้านท่านสเตเฟนทําให้รู้ว่าแท้จริงแล้วพวกเขานั้นจริงๆทําผิดกฎหมายของโรมนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะประหารชีวิตใครสักคนหนึ่งนะครับเขาจะต้องรับการอนุญาตจากผู้ว่าการที่แต่งตั้งมาจากโรมเสียก่อนในสมัยของพระเยซูซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เอง รเรารู้ว่าก่อนที่ปีลาตจะนะครับจะอนุญาตพวกเขาเนี่ยครับไม่สามารถประหารชีวิตพระเยซูได้เขาจะต้องรับการอนุญาตจากปีลาตเสียก่อนซึ่งปีลาตนั้นเป็นผู้ว่าการซึ่งซึ่งโรมแต่งตั้งมาครับด้วยเหตุ น, นี้การเสียชีวิตของสเตเฟนจึงเป็นการเสียชีวิตที่ไม่ชอบธรรมไม่ได้อยู่ในกระบวนการการยุติธรรม ผู้นำาศาสนาได้ทำผิดกฎหมายโรมที่สั่งให้ใครก็ตามที่จะต้องโทษถึงประหารชีวิตนั้นจะต้องรับการอนุญาตจากโรมเสียก่อนนะครับหรือรับคำอนุญาตจากผู้สำเร็จราชการที่แต่งตั้งโดยรวมก่อนพี่น้องครับเราเห็นว่าความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นกับคนของพระเจ้าเสมอครับเพราะฉะนั้นเราเองจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการที่เราจะเรียนแบบอย่างจากประชาชนแห่งความเชื่อผู้นี้และบทเรียนตรงนี้นะครับ เราจะเห็นได้ว่าเป็นบทเรียนที่มีความสําคัญมากพี่น้องครับเราได้รับบทเรียนสาบทเรียนนะจากที่นี่พี่น้องจะรู้ว่าเมื่อเราอา่านพระคัีกิจการบทที่หกถึงบทที่แปเราจะเห็นว่าขณะที่ท่านสเตเฟนสู้คดีอยู่นั้นนะครับผู้ได้อัญเชิญพระชนะของพระเจ้านะครับได้ทำให้เรารู้ว่าพวกเขานั้นได้เล่าให้ฟังถึงประวัติศาสตร์ของชนชาติอสิสราเอลเซเฟนนั้นคล่องแคล่วมากในการที่จะ หัวน ล, ลึกถึงและเล่าเรื่องการอพยพของโมเสสทําให้เราเห็นว่าพระสัญญาของพระเจ้าและความสักด์สืทอิ์ของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของม น, นุษย์เป็นจริงครับแล้วเห็นใจาการพิทักษารักษาอารักขาของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของมนุษก็เป็นจริงไม่เพียงเท่านั้นครับเมื่ออิสราเอลทําผิดความบาปนะครับพระเจ้าก็ทรงอภั ย, ยโทษพวกเขาเราเห็นถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ที่นําเขานะครับและโอบอุ้มเขาตลอดมาทําให้เราเห็นว่า เวลาที่พวกเขาอยู่ในความทุกข์ยากลําบากพวกเขานั้นจะได้รับการปลอบประโลมที่มาจากพระเจ้าการสิ้นชีวิตการเสียชีวิตของท่านเซฟเฟ น, นั้นจึงเป็นการยอมพลีชีพเพื่อพระเยซูเป็นคนแรกของบอดซาตคริสต์ครับจากการรักษาความเชื่อของท่านความพยายามที่ท่านจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นแบบอย่างในชีวิตของพวกท่องหลายในสมัยต่อๆมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพี่น้องครับในบริบทพระคัมภีร์บทที่678นะครับในบทที่8เราเห็นว่าผู้เชื่อนั้นก็ได้กระจัดกระจายไปจากการเสียชีวิตของท่านสเตเฟนแล้วจากการกระจัดกระจายไปของผู้เชื่อนั้นทําให้เกิดการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกครับนะเราเห็นว่าหนึ่งชีวิตนะฮะได้ตายลงไปทําให้เกิดผลลัพธ์มากมาย ผู้เชื่อได้กระจายไปนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นทําให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้เผยแพร่ออไปทั่วทุกมุมโลกจากการยอมพลีชีพเพื่อพระเยซูของท่านเซเฟนนี้เองพี่น้องครับอิทธิพลของการเสียชีวิตการพลีชีพเพื่อพระเยซูของท่านเซเฟนทําให้เกิดชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเปาโลแต่เดิมนั้นเขาชื่อว่าเซาโลครับและเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าทรงเรียกนะครับถึงเวลาของพระเจ้าแล้วชายหนุ่มคนนี้จะ รับการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปถ้าไม่มีสเตเฟนนะครับอาจจะไม่มีเปาโลก็ได้พี่น้องครับและนี่คือบทเรียนที่เราจะเห็นนะครับสมบทเรียนต่อไปนี้ครับขอโทษครับ4ี่บทเรียนต่อไปนี้ครับหนึ่งหนึ่งเราจะต้องเตรียมตัวจ่ายราคาความเชื่อเราต้องเตรียมตัวจ่ายราคาความเชื่อความเชื่อของเรานั้นมีราคานะครับภาษาอังกฤษเช้คว่า pay the price เราจะเสียอะไรเวลาซื้อขายครับนั่นคือต้นทุนเตรียมตัวจ่ายราคาความเชื่อคือการเตรียมตัวรับการข่มเหงรับความทุกข์ยากลำบากซึ่งจะมาในหลายรูปแบบหลายระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นการกีดกันกันไม่ว่าจะเป็นการแบ่งพักแบ่งพวกกันไม่ว่าจะเป็นพูดจาเสียดสีประชดประชันกันหรือแม้กระทัง่งถูกเคี่ยนตีถูกตัดขาดออกจากทรัพย์สินมรดก ถูกประนามว่าเป็นผู้ที่ไม่ใช่ประชากรของประเทศนี้หรือแม้กระทั่งการตามไล่ล่าเอาชีวิตอันนี้เกิดขึ้นในประเทศของเราเช่นเดียวกันนะครับหลายหลายครั้งบางคนนะครับที่ออกมาจากศาสนาเดิมเนี่ยถูกไล่ล่าเอาชีวิตครับพี่น้องครับในพระธรรม2ทีโมทีบทที่3ข้า12ได้กล่าวงนี้นะครับว่าแท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดําเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหง ท่านจารบโลเขียนไปถึงทีโมทีบอกว่าแท้จริงคนที่จะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าจะถูกกดขี่ข่มเหงเราอยู่ในประเทศที่สบายสบายนะครับมีพี่น้องหลายท่านมาจากประเทศปากีสถาน อ, อพยพมาเป็นผู้ลี้ภัยมีพี่น้องหลายท่าน อ, อพยพมาจากประเทศต่างๆที่เป็นผู้ลี้ภัยในประเทศยุโรปนะครับตะวันออกเยอะแยะมากมายครับคนเหล่านี้ครับเวลาเป็นคริสเตียนนะครับถูกกดขี่ข่มเหงนี่คือสิ่งที่ได้พบ ได้เกิดขึ้นในสมัยคริสจักรยุคแรกจบจนกระทั่งสามร้อปีนะครับประวัติศาสตร์คริสจกักรหลังจากที่จกักรวรรดิโรมได้ประกาศให้ได้ประกาศให้คริสเตียนนั้นเป็นศาสนาประจำชาติของจกักรวรรดิโรมแล้วการข่มเหงจึงได้หยุดได้เลิกไปด้วยเหตุนี้เองครับในสมัยนี้ถามว่ามีการข่มเหงไหมเกิดขึ้นในหมู่คริสเตียนเราพี่น้องลองไปถามคนที่รับเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนะครับในคริสจักรของเรา ในช่วงหลังๆนี้มีพี่น้องที่มารับเชื่อพระเจ้าใหม่ๆ ห, หลายๆคนนะครับเป็นพยานว่าถูกข่มเหงนะถูกข่มเหงในรูปแบบต่างๆครับเพราะฉะะนของพรเจ้าได้ให้เราเตรียมตัวนะครับจ่ายราคาความเชื่อเสียขอบคุณพระเจ้าที่หลายๆท่านในที่นี้นะครับเป็นลูกหลานคริสเตียนเพราะกั้นการข่มเหงเนี่ยไม่มีหรือม้อยมากครับแต่ในหลายๆท่านในท่ามกลางเราเป็นเจนเนอเรชันแรกเป็นคนรุ่นแรกที่มาเชื่อพระเจ้า คนเหล่านี้ครับได้ถูกก่มเหงมาเยอะแยะมากมายเพราะชนะของพระเจ้าสอนเรานะครับในการที่เราจะเตรียมตัวจ่ายราคาความเชื่อสมอย่างด้วยกันครับหนึ่งต้องนั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนเพราะชนะของพระเจ้านะครับบอกว่าเวลาคุณจะไปต่อสู้หรือไปสู้ศึกสงครามเนี่ยนะครับต้องนั่งลงคิดดูก่อนว่าเอาชนะได้ไหมเวลาเราจะสร้างตึกนะต้องนั่งลงก่อนว่าเรามีเงินพอที่จะสร้างตึกไหม พระเยซูท้าทายเรานะครับในการที่เราจะแบกกางเขนตามพระเยซูไปเพราะให้ปฏิเสธตัวเองแบกกางเขนติดตามพระเยซูไปก่อนจะทําอย่างนั้นก่อนจะตัดสินใจอย่างนั้นนั่งลงคิดราคาดูก่อนครับนะครับเขาเดอะคอสนั่งลงนับนะครับคิดราคาดูใช่ก่อนว่าคุ้มไหมในการติดตามพระเยซูประการที่2ครับแน่ใจในการสรงเรียกการทรงเรียกนี้ทําให้คนนั้นจะอยู่แล้วก็ยืนหยัด อดทนนะครับในงานของพระเจ้าต่อไปและประการที่สครับการตัดสิ i, ในใจที่ถูกต้องการตัดสินใจที่ถูกต้องนั้นทําให้เรารู้ว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าและพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราและเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้านั้นเราจะชนะในที่สุดครับแม้ว่าหลายหครั้งทีเดียวเราอาจจะถูกข่มเหงนะครับเราอาจจะถูกเข้าใจผิดเราดูเหมือนแพ้แต่ที่แท้คือชนะในที่สุดเราจะชนะสงครามใหญ่นี่คือชีวิตแห่งชัยชนะอันเกิดจากการตัดสินใจที่ถูกต้องเลือก เลือกในทางที่ถูกต้องในน้ำมันไทยของพระเจ้าเมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดที่กําลังตัดสินใจเลือกในการเป็นสาวกพระเยซูอย่างจริงใจนะครับเขาจะกลายเป็นบนรรพชนแห่งความเชื่อทันทีเพื่อนครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้เราได้มีโอกาสตัดสินใจว่าเราจะเราจะเลือกไหมและตัดสินใจว่าเราจะติดตามพระเยซูไหมเราจะมาอยู่ในจุดที่ว่าเราจะพร้อมไหมที่จะเตรียมตัวจ่ายราคาความเชื่อนี้นะครับเพราะอะไรครับ เพรว่าเมื่อไใดก็ตามที่เราตัดสินใจว่าเราจะจ่ายราคาความเชื่อนี้เราตัดสินใจเราแน่ใจหลังจากที่เราคิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะกลายเป็นบนรรพชนแห่งความเชื่อสําหรับลูกหลานของเราต่อไปเราจะกลายเป็นหน้าหนึ่งใน ป, นประวัติศาสตร์ของที่จะพัฒนาต่อไปแต่ที่สาคัญที่สุดก็คือว่าเราจะเป็นหน้าหนึ่งและเป็นตัวอักษรหนึ่งในหนังสือแห่งชีวิตของพระเยซูต่อไปและนี่คือชีวิตที่ไม่ธรรมดาครับ หลาหลาครั้งทีเดียวนะครับผมมักจะหนุนใจพี่น้องที่กําลังตัดสินใจติดตามพระเยซูรับเชื่อและรับใช้พระเจ้าแต่เวลาผมบอกว่าไม่ใช่เป็นความบังเอิญในขณะเดียวกันนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ท่านทำลไรเพื่อพระเจ้าแต่มันเป็นพิเวลิชมันเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าเนี่ออนุญาตและยกย่องเราให้เกียรติเราในการรับใช้พระเจ้าต่างหากในเมื่อเรา คิดอย่างนี้เรามีท่าทีอย่างนี้ต่อการรับใช้พระเจ้านะครับพี่น้องครับเราจะไม่มีคำว่า ง, งานเข้าอีกแล้วแต่เรามีเราจะมีบอกว่ายังไม่พออยากจะรับใช้พระเจ้ามากขึ้นอยากจะทนทุกข์เพื่อพระเยซูามากขึ้นอยากจะทำงานหนักมากขึ้นกว่านี้อยากจะพลีชีวิตนะครับอาจจะไม่ได้เสียชีวิตเพราะความเชื่อแต่พลีชีวิตหมายความว่าอุทิศ ต, ตัวให้กับงานของพระเจ้ามากยิ่งกว่านี้ พี่น้องครับเรากาลังกลายเป็นบนรณฑชนแห่งความเชื่อของลูกหลานของเรานะครับเพราะฉะนั้นลูกหลานของเราจะดูชีวิตของเราเหมือนกับที่เราดูชีวิตของบัณฑชนของเราและด้วยนี้เองทำให้เราสามารถที่จะถ่ายทอดความเชื่อและถ่ายทอดคำส อ, สอนไปสู่ลูกหลานฝ่ายวิญญาณของเราได้ในขณะเดียวกันครับซาตานก็ไม่ปล่อยเราง่ายๆครับเพราะว่ามันไม่ได้นั่งเล่นนอนเล่นอยู่เฉยๆนะครับ มันเหมือนกับสิงค์คำรามที่วนเวียนหาว่กาดโจมที่เราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องเทรดเดอะไพรซ์เราต้องพร้อมที่จะสละและเตรียมตัวจ่ายราคาความเชื่อของเราและพี่น้องครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรานะครับพังผืดบอกว่าถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะเอาชนะได้พระเจ้าจะช่วยเราทั้งหลายและเราสามารถรเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกํำลังพวกเราในกิจการบทที่เจ็ข้อห้าบสครับ หลังจากที่สเตเฟนนั้นได้เล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลบรรพชนของเขาพวกเขาได้ยินก็รู้สึกแปลกปราบใจคําว่าแปลกปรับใจนั้นเป็นภาษาเดิมนะครับแต่ในภาษาสมัยใหม่เนี่ยเรียกว่ารู้สึกบาดใจและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันใส่สเตเฟนนะครับคำว่าขบเคี้ยวเคี้ยวฟันนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เขากัดตรามนะกัดกัดกรามของเขาเนี่ยนะครับขยี้กรามของเขาด้วยความโมโห คําว่าเข้าใส่เข้าใส่สเตเฟนนั้นมีความหมายาการพุ่งเข้าชนครับพุ่งเข้าชนหมายถึงว่าการแอตแท็กการโจมตีนะครับความรู้สึกที่เจ็บลึกทําให้เกิดการโจมตีนะครับของพวกเขาที่มีต่อเซเฟนเพราะเนื่องจากว่าพวกเขาไม่สามารถโต้แย้งกับท่านนะครับเพราะด้วยความโมโหนะครับด้วยความอิจฉาริษยาด้วยความเจ็บใจนํามาซึ่งการฆ่าคนครับ พี่น้องครับหลายหครั้งทีเดียวเราไม่ได้ทําการฆ่าคนนะครับทางฝ่ายร่างกายแต่เราทําการฆ่าคนนะครับในความหมายของการฆ่าคนคือทําลายเขาด้วยคํานินทาว่าร้ายด้วยคําพูดที่ไม่เป็นความจริงนะครับทำให้เกิดความเสียหายทําให้เขาไม่สามารถที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไปได้อันนี้คือข้อหาหนักนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะหนุนใจให้เกียติซึ่งกันและกันนะครับกล่าวคําดีการยกย่อง คำหนุนน้ำใจเป็นสิ่งที่น่าทำมากกว่าไม่ใช่หรือพี่น้องครับกลุ่มคนที่อยู่ในความรู้สึกเดียวกันนำมารวมกันก็ก่อมอบครับทำให้ในที่สุดแล้วเซเฟนต้องเสียชีวิตเป็นผู้ที่พลีชีพด้วยการถูกคว้างก้อนหินการถูกขว้างก้อนหินนั้นเป็นกฎหมายของชาวยูนะครับแต่กฎหมายของชาวโรวมเวลาประหารชีวิตต้องตึงกางเขนแต่คนยูนะครับเวลา เจอเข้อหาผ่าชีวิตเนี่ยเขาจะเอาหินขว้างให้ตายหินเนี่ยนะครับอยู่ทุกคนทุกแห่งนะครับถ้าก่อม็บขึ้นมานิดเดียวนะครับสามารถที่จะหยิบก้อนหินที่วางอยู่ข้างๆนะตามทางเดินเนี่ยสามารถที่จะฆ่าคนได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีหากถูกคว้างพร้อมๆกันนี่คือสิ่งที่เซเฟนได้กลายเป็นผู้ผีชีพเพื่อพระเยซูท่านแรกในบทสักรบทเรียนที่สองครับเราจะเห็นความศักด์ซื่อของพระเจ้า นะครับเราเห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าหลังจากที่เราตัดสินใจที่จะจ่ายราคานะครับก็คือยอมรับความทุกข์ยากลําบากแล้วประการสองที่สองก็คือว่าเราจะเห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่จะอบอุ้มเราเมื่อเราก้าวสู่ความรับการรับใช้และปรณนานตัวเราจะสัมผัสถึงความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าครับพระเจ้าจะช่วยเราแล้วจะสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราตลอดเวลาผมเน้นว่าตลอดเวลาเพีย่านี้ครับ หลายหลยท่านที่รับใช้พระเจ้ามานานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้เป็นเวลาก็ดีนะครับหรือท่านผู้ปกครองที่ติดตามพระเยซูรับใช้พระเจ้ามาเป็นเวลาหลาย10ปีก็ดีตลอดชีวิตของท่านเนี่ยเราเห็นว่าพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับไม่ได้สั้นที่จะช่วยไม่ได้แล้วเราเห็นว่าความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อครอบครัวพระเจ้าดูแลนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าหลายท่านนะครับยังลังเลนะครับยังไม่รู้จะไปทางไหนดี ไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหรก็ตามท่านจะใกล้เกษียณท่านกาลังคิดถึงว่าหลังกเกษียณฉันจะทำอะไรดีเนาะหรือแม้กระทั่งท่านกําลังตั้งต้นชีวิตของท่านอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัยกลางคนนะครับหรือว่าเป็นวัยรุ่นก็ตามผมอยากจะเชิญชวนแล้วให้เราเห็ น, หนึนความสัตย์ซื่อของพระเจ้าและประสบการณ์กับฤตเดชนในความสัตย์ซื่อที่พระเจ้าให้กับเราพระเาเตรียมไว้ให้กับเราครับพี่น้องถ้าพระเจ้าไม่เตรียมให้กับเรานะครับเราจะไม่มีเอเมเดเซอร์นะครับเราจะไม่มีคําที่ว่าพระเจ้าได้ทรงช่วยเรามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ไม่มีคำนี้ออกมาแน่นอนแต่คนที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าบรรดาชนเน่ยความเชื่อพวกเขาเดินผ่านทางนี้มาแล้วแล้วเรากําลังเดินผ่านทางเส้นเดียวกันครับนะและเรารู้จักพวกเขาเหล่านั้นโดยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าเรารู้จักพวกเขาเหล่านั้นโดยการสอนที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และทําให้เรานั้นเพิ่มเติมความเชื่อแล้วเราปรารถนาที่จะเห็นความสัตด์สื่อของพระเจ้ามากขึ้นไหมครับในชีวิตของเราเราจะมีประสบการณ์กับการช่วยเหลือของพระเจ้ามากขึ้นไหมครับในชีวิตของเรา พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากเชิญชวนว่ามาเถอะครับให้เราปารนนาตัวเราจะเห็นความสัตด์ซืทอของพระเจ้าแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องตัดสินใจกว่าเราต้องจ่ายราคานะจ่ายราคาเท่าไหร่ครับจ่ายราคาด้วยชีวิตของเราชีวิตที่เหลืออยู่ของเราในช่วงนี้นะครับบุคคล น, นั้นเป็นที่รักจากเราไปหลายคนนะครับผมได้เข้าในพิธีไว้อาลัยต่ประกอบพิธีบ้างเทศนาบ้างหลายๆหลายหลายครั้งหลายๆคนนะครับ หลายๆคนก็อยู่ในเตียงคนไข้พี่น้องครับเราไม่รู้ครับว่าเวลาของเรานั้นมีเหลืออยู่เท่าไหร่แต่รู้ว่าเวลาของเรานนั้นที่เหลืออยู่นั้นเราจะทำยังไงให้พระเจ้าพอพระทัยมากที่สุดเราจะทําไงให้พระเจ้าในวันสุดท้ายเราถวายแรงงานกับพระเจ้าพระเจ้าจะชมเราว่าเจ้าเป็นท่าที่ดีและสัตซ์ซื่อครับเราได้ทํางานเพื่อพระเจ้ามากน้อยขนาดไหนเราวสัตซ์ซื่อเราได้ทนทุกความลําบากมากน้อยขนาดไหนเพื่อพระเยซู ในกิจการขาเท่ากับในเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่17ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสิปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์นี่คือสิ่งที่เราต้องรู้จักพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นครับตอนเช้าในชั้นเรียนวิลา ว, วีวัลศึกษามีคนถามบอกว่าทําไมเราต้องรู้จักพระเยซู มากยิ่งขึ้นเพื่อเราจะเติบโตสู่ความไปบุญของพระเจ้าสู่ความไปบุญของพระเยซูเติบโตสู่ความรอดอันสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้ครับเราทั้งหลายต้องมาบสถ์ทุกวันมาเรียนลวีนะครับทุกวันอาทิตย์เพราะอะไรครับเพราะปรารถนาที่จะรู้จักพระเยซูมากยิ่งขึ้นมีประสบการณ์ในฤทธิเดชของพระเยซูมากยิ่งขึ้นและปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ภายใต้ใตการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆทุกๆุกวันกิจการบทที่เจข้อห้าิบห้านะครับความสัตย์สื่อของพระเจ้านะครับเราจะเห็น ว่าสเตเฟนนั้นเห็นตรงนี้นะครับเตเฟนประกอบด้วยผู้วิญญาณบริสุทธิ์ได้คม่นดูฟ้าสวรรค์เห็นพะสดิของพระเจ้าและเห็นพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถของพระองค์พี่น้องครับนี่เป็นนิมิตที่สเตเฟนเห็นถามว่าเราเห็นอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะมารับใช้พระเจ้าหรือก่อนที่เราจะปรนนาตัวตัดสินใจนะครับเราต้องเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าก่อน เมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไว้วางใจในความสัตด์ซิทธของพระเจ้าเราจะกล้าที่จะก้าวออกมาสำหรับสเตเฟนแล้วนะครับการเห็นพระเยซูไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดานะครับการเห็นพระเยซูนั้นถือว่าเป็นนิมิตขั้นสูงสุดที่ได้เห็นพระเยซู ด, ด้วยตาใครที่ฟังเสียงสีใหิบาลทุกเช้านะครับเราจะรู้ว่าพระเยซูนั้นได้ทรงขึ้นมาจากความตายและเสด็จกลับไปหา พระเจ้าพระบิดาแล้วแต่พระเยซูก็ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นแล้วนะไม่มีใครที่เป็นผู้ช่วยเรานอกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นตัวแทนของพระเยซูครับในโลกนี้เราจะรู้จักกับพระเยซูได้โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับและเราจะรู้จักพระบิดาด้วยโดยผ่านทางพระเยซูด้วยเหตุนี้เองการที่สเตเฟนนั้นได้เห็นพระเยซูต้องถือว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเป็นนิมิตขั้นสูงสุด ท้องฟ้าเปิดออกเห็นนิมิตนะครับขั้นสูงสุดที่ปรากฏแก่ท่านและยังได้เห็นส่วนหนึ่งของตรีเอากานุภาพด้วยครับพี่น้องเห็นว่าพระเยซูนั้นประทับอยู่หน้าเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาพระเจ้าผู้สูงสุดพี่น้องครับจากการเห็นตรงนี้นะครับทำให้เกิดความไว้วางใจเกิดขึ้นอย่างเต็มเปี่ยมความมั่นใจเกิดขึ้นอย่างเต็มเปี่ยมในชีวิตของเซเฟนที่จะรับสิ่งที่เขายังไม่เคยได้รับทําในสิ่งที่เขายังไม่เคยได้ทํา มีประสบการณ์ในสิ่งที่เขายังไม่เคยมีมาก่อนและนี่คือความปิตไปดีและความมั่นใจในความศักด์ซื่อของพระเจ้างั้นโปรดฟังอีกครั้งนะครับการที่เราได้เห็นนิมิตเห็นความศักด์ซืทอของพระเจ้านะครับทาให้เราเกิดความไว้วางใจที่จะรับสิ่งที่ไม่เคยรับมาก่อนทําในสิ่งที่เราไม่เคยทามาก่อน และมีประสบการณ์ในสิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นมาก่อนอย่างมั่นใจและเกิดความชื่นชมยินดีมีความปิติสุขในความสัตศรัืธอของพระเจ้าพี่น้องอาเมย์ไหมครับพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นความสัตศ์ซืธอของพระเจ้านะครับเราจะไม่มีวันที่จะกล้าออกมาและจะไปถึงเป้าหมายที่พระเจ้าตั้งไว้ในกิจการบทที่7ข้อ59เพื่อนพีได้ให้เราเห็นถึงคาอธิษฐานของเซเฟนนะครับ ท่านอธิษฐานเหมือนกับที่พระเยซูอธิษฐานนะครับละไม้คล้ายคืนกันมากทีเดียวท่านอธิษฐานว่าข้าแต่พระเยซูเจ้าขอทรงโปรดรับจิตวิ ญ, ญญาณของข้าพงศ์ด้วยเถิดเป็นคําอธิษฐานที่เรียนแบบ ค, คล้ายคืนกับพระเยซูเห็นึนความสัตด์สืทอิ์ของพระเจ้าที่มีต่อประชากรขอ ง, ของพระองค์งงใช่ไหมครับพระองค์ผู้ทรงรักษาความเชื่อจนถึงที่สุดนะครับก็ทําให้เซเฟนรักษาความเชื่อของเขาจนถึงที่สุดด้วยเช่นเดียวกันไม่เพียงแต่เขาจะเห็นพระเยซูคําอธิษฐานของเขาก็เรียนแบบพระเยซู เพราะฉะนั้นคําอธิษฐานใดก็ตามที่เรียนแบบพระเยซูคําอธิษฐานที่ตามแบบอย่างพระเยซูทุกคําอธิษฐานจะได้รับคําตอบอย่างแน่นอนนี่คือความศัตรูของพระเจ้ากิจการบทที่7จ็ข้อหกครับได้บรรยายว่าสเตเฟนก็ล่วงหลับไปพี่น้องครับการล่วงหลับไปในองค์พระเจ้าหรือการตายของธรรมิกระชนนั้นของธรรมิกชนนั้นสําคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าความสัตซืรอในพัญญาของพระองค์ที่มีต่อผู้พลีชีพผู้ที่รักษาความเชื่อนะครับเขาจะรับบำเน็จอันยิ่งใหญ่ ความเชื่อของเขาจะถูกถ่ายทอดออกไปเขาตายแล้วก็เหมือนกับเขายังไม่ตายเขาตายแล้วชีวิตของเขายังพูดอยู่ครับยังมีอิทธิพลต่อคนอีกามากมายยังมีอิทธิพลต่อการสร้างแรงบันดาลใจกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังถือว่าชีวิตของเขานั้นเป็นชีวิตที่มีคุณค่าสูงสุดพี่น้องครับเราอยากจะฟ well, ินิชเวลเราจะจบด้วยดีจบได้สวยงามเราจะมีชีวิตนะครับที่คนอื่นเขาจะรับอิทธิพลจากเราหรือไม่ นะครับเราจะต้องเห็นความสักด์สืทอของพระเจ้าเสียก่อนครับบทเรียนต่อไปครับบทเรียนที่3าเซฟเอนนั้นจะมีส่วนในภาษีของพระเจ้าเช่นเดียวกันครับเราทั้งหลายก็จะมีส่วนในภาษีของพระเจ้าผมอยากให้พี่น้องได้อ่านพร้อมกันนะครับหเปโตรบทที่1ข้อที่8ข้อที่เก้าขอเชิญ อ, อ่านพร้อมกันครับหนึ 1, 2, หัวข้อตรงนี้นะครับบอกว่าเราจะมีส่วนในพระสิริของพระเจ้าตรงนี้ได้พูดนะครับว่าแม้ว่าเราจะไม่เห็นพระเยซูแม้ว่าเราจะไม่เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เรายังรักพระองค์อยู่และเรายังเชื่อพระองค์อยู่นะครับแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยความเป็นติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้วิญญาณจิตของเราจึงได้ความคลอดเป็นผลแห่งความเชื่อในหนึ่งโครินโบทที่สิบหข้อห้าบแดเช่นเดียวกันครับหลายเท่านท่องได้นะครับเหตุฉะนั้น พี่น้องที่รักของข้าพเจ้าท่านจงตั้งมั่นอยู่ยาวันไวจงปฏิบัติงานขององค์พระเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านหลายพึงรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หาไม่ได้เราจะมีส่วนในพัะสิิของพระเจ้าครับขณะที่เซเฟนนั้นเขาได้เห็นนิมิต จ, จากสวรรค์เขารู้ว่าเขาจะไปหานิมิตนั้นเขามังเดินเข้าสู่นิมิตนั้น เขากำลังเดินเข้าสู่การสำแดงของพระเจ้าตรงนั้นนะครับและเขาจะได้รับสิทธิพิเศษในการมีส่วนในสง่าราศีพระสิริของพระเจ้านี่เป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตของเราพีนี้ครับเวลาเรารับความทุกข์ยากลาบากนะครับหรือมีความทุกข์ยากลาบากมีความขมขื่นเรามีอุปสรรคในการรับแช่พระเจ้าเราต้องลึกเสมอครับเรากาลังทนทุกข์ เพื่อตัวเองหรือทนทุกเพื่อพระเจ้ากันแน่สาเหตุของการทนทนทุกข์นั้นต้องมาจากพระเยซูต้องมาจากงานรับใช้ของพระเจ้านี่แหละครับจึงเป็นการทนทุกที่จะมีความหมายเนี่ยครับผมอยากจะฝากไว้นะครับเป็นข้อคิดสองประการนะครับในส่วนต่อไปก็คือว่าเวลาที่เราจะรับใช้พระเจ้าสองประการนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคานึงเสมอหนึ่งครับอย่านึกว่าปันญาจิจของพระเจ้าขาดเราไม่ได้ ขาดเราไม่ได้นะครับการจากไปของเซเฟนครั้งนี้นะครับเราหลายคนอาจจะเสียใจเพราะทำไมเขาอายุสั้นนังสั้นจังนะครับแต่ผมจะบอกครับว่าการจากไปด้วยการพลีชีพเพื่อพระเยซูของเซเฟนในครั้งนี้ทำให้หลายคนนั้นลุกขึ้นมาประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราเห็นว่าเมื่อพระเจ้านะครับถึงเวลาของพระองค์พระองค์เรียกใครกลับ จะมีคนอีกมากมายที่จะทํางานของพระเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าสําคัญตัวเองผิดไปครัว่าขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกไม่ใช่ครับพระเจ้าต้องการนะครับและพระเจ้าให้เกียรติเราในการรับใช้ไพต้องคาเราอย่าคิดว่าเราเป็นคนที่มีความสําคัญมากขาดชั้นไม่ได้ไม่ใช่ครับแต่พระเจ้าให้เกียรติเราต่างหาก it is my privilege to serve ก็คือเป็นสิทธิพิเศษเป็นเกียรติเป็นเกียรติยศของข้าพเจ้าในการที่ข้าพเจ้าจะรับใช้ นี่คือสิ่งที่ทําให้เราทั้งหลายต้องถ่อมใจตลอดเวลาไม่ใช่เราเป็นคนที่มีความสําคัญแต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าที่ใช้เราต่างหากเป็นเพราะที่พระองค์ประทานสิทธิพิเศษใน้ต่กต่างหากในการรับใช้พระเจ้าประการที่2ครับการรับใช้พระเจ้าของเรานั้นต้องเกิดจากการสํานึกในพระคุณของพระเจ้าและรู้ความจริงนะครับเราต้องรู้สํานึกในพระคุณของพระเจ้าและรู้ความจริงรู้สํานึกก็คืออะไรครับรู้สำนึกว่าเรามีทุกวันนี้ได้เพราะพระคุณของพระเจ้า เพรั้นชีวิตแห่งการนับพรจึงเป็นชีวิตที่เป็นพื้นฐานและเป็นมูลฐานในการรับใช้พระเจ้าต่างหากนะครับเรารู้ว่านี่คือการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าครับและความจริงตรงนี้ก็คือความจริงที่พระเยซูสอนนะครับว่าแม้ว่าเราจะยกน้ำนะครับให้กับผู้ที่หิวกระหายดื่มสักแก้วเดียวคนคนนั้นจะขาดบําเหน็จก็หาได้ไม่นั่นหมายความว่าอะไรก็ตามนะครับที่เราทําต่อพระกายของพระเยซูนั้นนะครับไม่ใช่ไม่มีความสําคัญครับ แต่ทุกอย่างที่เราทำนั้นมีความสําคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าและไม่ไร้ซึ่งประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้าเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราทําเพื่อพระองค์ทําถวายพระองค์ให้เราทําแบบถวายพระองค์ถวายชีวิตนะครับจะกลายเป็นบาเหน็จครับและเราจะร่วมรับเกียรติและผลสิริของของพระเจ้าด้วยกันกับเราสุดท้ายนะครับผมอยากจะ เล่าเรื่องบรรพชนแห่งความเชื่อซึ่งเป็นผู้ผลีชีพนะครับในสมัยของเรานะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอยู่ในประมาณปีศตวรรษที่60 60นะครับก็คือประมาณปี1960นี่ผ่านมานเองท่านนี้นะครับเป็นมิ d g e n น r รีนะครับชื่อสเตนเดลชื่อสเตนนะครับแล้วก็นาสุนเดลนะคนนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นมิ d g e n น r รีคอมมานโดพี่น้องครับเป็นมิชชีคอมมานโด ถามว่าเขาเป็นมิสซีคอมันโดได้ไงครับเพราะว่าเขาไปทำงานกับชนเผ่าเรียกว่ายาลีนะครับเดดาลีพีคคนเผ่ายาลีเนี่ยอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียครับนะเรามาดูประวัติของสแตนเดลกันนะครับสตนเดลนั้นนะครับเป็นทหารในสงครามโลกสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเมื่อเขาไปรับราชการนะครับเขาเป็นทหารของประเทศออสเตรเลียนะครับเข้าไปทำศึกสงครามที่ประเทศอินโดนีเซีย ขณะที่เขาไปรับราชการเป็นทหารของประเทศออสเตรเลียนะครับอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเขาพบขบเขานี่ยครับในจังหวัดมีเรียนของประเทศอินโดนีเซียก็คือชนเผ่ายาลีนี่เองนะครับหลังจากที่เขาปลดจากทหารเขาตั้งใจนะครับตอนที่เขาไปเจอชนเผ่ายาลีนี่เขาตั้งใจว่ามีวันหนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสกลับมาประกาศข่าวประเสริฐให้กับชนเผ่านี้ซึ่งยังไม่มีใครประกาศข่าวประเสริฐเลยชนเผ่านี้นะครับเป็นชนเผ่าที่บูชาทูตผีปีศาจ มีพ่อมดหมอผีเขาอาศัยอยู่ในความกลัววิญญาณนะครับของพระของเขาเรียกว่าเอ็มบูเนะี่ยเป็นชนเผ่าที่เกลียดชังและแก้แค้นถ้าลบชนะหมู่บ้านไหนนะครับวิธีการของเขาก็คือทำลายโดยการฆ่านะครับและจับกินเป็นอาหารนะถอยลังกลับไปดูนะครับชนเผ่ายาลีนะครับเป็นตัวเล็กๆซึ่งเราเรียกว่าปิกมี่ก็คือมีความสูงประมาณหนึ่งเมตรเท่านั้นเองนะครับชนเผ่านี้ดูลายมาก สเตนเดลนั้นนะครับกลับมาที่ประเทศอินโดนีเซียทํางานกับชนเผ่านี้ในศตวรรษในทศวรรษที่หกสิบครับหลังจากที่เขาปลดจากทหารเขาก็เปลี่ยนพระมปีจนจบแล้วก็ออกมารับใช้พระเจ้าในช่วงแรกครับมีคนรับเชื้อพระเจ้าอยู่ในหมู่บ้านนะครับบนยอดเขาแต่ในหมู่บ้านที่อยู่บนเชิงเขานะครับอยู่ในหุบเขาเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ยังอยู่ในความมืดมนมืดมิดอยู่ มีคริสเตียนสองคนที่กับใจนะครับจากชนเผ่ายาลีนี่เองลงไปในหุบเขาเพื่อประกาศขาศ่าวเสชิฐแต่สองคนนี้ถูกฆ่าตายในที่สุดนะครับพวกเขาซึ่งเป็นมิชเชรีนะครับก็ปรึกษาหารือกันในที่สุดนะครับเขาก็ตัดสินใจในวันพุธที่สิบแดกันยายนในปีหนึ่งเก้าหกแปดจะเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเรียกว่าหมู่บ้านเซงนะครับที่อยู่ในหุบเขาเมื่อมาถึงหมู่บ้านก็เผชิญกับ นักรบติดอาวุธของพวกเผ่ายาลีนี่เองนะครับนักรบติดอาวุธนี้ก็มีอาวุธก็คือเป็นลูกธนูและลูกธนูของเขาเนี่ยทำด้วยไม้ไผ่นะครับที่เหลาจนคมแล้วก็แหลมแล้วก็บางมากสามารถที่จะปักอยู่ในร่างกายของของเหยื่อได้พี่น้องครับพวกเขาเจอนักรบติดอาวุธพวกเขาก็เลยล่าถอยไม่ถอนตัวออกจากหมู่บ้านนั้น แต่ก็ไม่ได้จะย่นหรือว่าจะย่นย่อหรือท้อถอยต่อมาครับเขาก็ตัดสินใจที่จะกลับไปอีกแต่ไปไปอีกหมู่บ้านหนึ่งปรากฏว่าเมื่อถึงหมู่บ้านใหม่นะครับก็พบว่าพวกเขาสื่อสารกันเรียบร้อยแล้วคนที่มาสอนสาศาสนาพระเยซูเป็นาศาสนาแปลกๆนะครับชนเผ่านี้ที่อยู่ทางด้านหุบเขาเนี่ยจะไม่ยอมรับเลยในที่สุดนะครับ ก็เผชิญหน้ากันครับในระหว่างที่พวกเขานั้นเดินไปนะครับสแตนเดลเนี่ยนะครับเขาอยู่รังท้ายปรากฏว่าพวกนักรบของหมู่บ้านนะครับของเผ่าเนี่ยก็ได้มาล้อมในที่สุดนี่ครับสแตนเดลเนี่ ย, ยก็ถือเป้สัมภาระขึ้นมาเพื่อป้องกันการถูกยิงนะครับแต่ว่านักรบเนี่ยอยู่ทางด้านหลังนะแล้วคนที่ยิงคนแรกก็คือพวกหมอผีนั่นเอง หมอผีเนี่ยเป็นคนยิงคนแรกเลยครับปรากฏว่าธนูนะครับลูกศรไม่ไผ่ที่ถูกเลาจนคนกิบนั้นก็ปักอยู่ที่ตัวของแซนเดลและแซนเดลนี้สุดนะครับก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยปากก็ร้องว่าขอให้หยุดขอ ห, หยุดเรามาเป็นเป็นผู้ประกาศเข่าวปเสริฐเรามาเป็นมิตรเราไม่ได้มาเป็นศัตรูนะครับปรากฏว่า หาธนูนะครับก็ถูกยิงมาเรื่อยจนตัวเขาเนี่ยมีลูกธนูปักอยู่ไม่ต่ำกว่า30ดอกนะจนกระทั่งเขาเดินไปไม่ไหวพี่น้องที่ชอบดูแอคชั่นหนังแอคชั่นนะจะรู้นะในในเอกสารนะครับเขาบอกว่าแซนเดลเนี่ยก็ดึงเอาลูกธนูนะครับที่ทาด้วยไม้ไผ่เหลาบางเนี่ยออกแล้วก็หักนะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยตัวเขาเนี่ยก็ถูกลูกธนูเนี่ยยิงมาเรื่อยยิงมาเรื่อยยิงมาเรื่อยจนทังในที่สุดเนี่ยเาเดินต่อไปไม่ไหว เขาก็ยืนอยู่ที่นั่นแล้วก็ดึงลูกธนูออกมาทีละดอกทีละดอกทีละดอกแต่ปรากฏว่าลูกธนูนะครับนะ่ะถูกยิงมาจากทุกทิศทุกทางเลยนะครับแตนเดลดึงจนกระทั่งเขาไม่ไหวนะเขาหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับลูกหาบนะครับก็คือพวกชาวยาลีและก็พวกชาวพื้นเมืองเนี่ยครับที่หาบไปหาบตามกันไปนะครับถูกแซนเดลบอกว่าให้ให้หนีให้เอาชีวิตรอดนะครับเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า แซนเดลนตัวสะดุ้งทุกครั้งเลยเมื่อถูกธนูแต่ละดอกที่ยิงมาที่เขาในที่สุดนะครับเขาต้องละแตนเดลไว้และทิ้งมิเชรีคนหนึ่งชื่อว่าฟิลครับซึ่งถูกยิงตายในที่สุดปรากฏว่าเขาบอกว่าจำนวนลูกธนูที่ปักอยู่ในผู้พรีชีพเพื่อพระเ ย, ยซูนั้นไม่ต่ำกว่าห0สิบดอกนะครับที่ปักอยู่นั่นานะครับ และในสุดเนี่ยชนเผ่ายาลีก็นําร่างมิชเชลลี่ที่ตายไปแล้วทั้งสองคนสับเป็นชิ้นชิ้นและเอาไปกินแล้วนํากระดูกเนี่ยไปทิ้งตามที่ต่างๆนะครับแยกกันทิ้งเพราะว่าเขากลัวว่าคนเหล่านี้เขาเชื่อพระเยซูและเขาจะเป็นขึ้นเหนือความตายเราะก็สอนว่าจะมีชีวิตหลังความตายจะเป็นขึ้นเหความตายเขากลัวว่าคนเหล่านี้เป็นขึ้นเหนความตายเพราะฉะนั้นต้องแยกส่วนร่างของเขาแยกกระดูกเขาออกไปไปทิ้งตามที่ต่างๆพี่น้องครับ บรรพชนแห่งความเชื่อผู้พลีชีวิตในยุค ข, ของพวกเราเนี่ยนะครับ1968เนี่ยเวลานี้ครับผ่านไป50ปีในปี2011นะครับชนเผ่ายาลีได้จัดขอบคุณพระเจ้าฉลองเฉลิมฉ ล, ลองปีจูบิลี่50ปีของการที่ขาเสิฐได้ผูกเผยแร่ในชนเผ่าของเขาและหมู่บ้านของเขาถ้าไม่มีแสนเดวไม่มีฟิล ที่จะพลีชีพเพื่อพระเยซูถามว่าชนเผ่านี้นะครับหลายหมื่นคนในที่สุดเนี่ยจะกลับใจเชื่อพระเจ้าหรือเปล่าผมจะสรุปในพระธรรมยอห์นบทที่สิข้อยีนะครับพระเยซูสอนอย่างนี้ครับว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมาก ถ้ า, มาเมล็ดข้าวไม่ได้ตกมาในดินและเปืยเน่าไปหมายถึงชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับที่ยอมเสียสละเพื่อพระเยซูยอมตายเพื่อพระเยซูยอมทนทุกข์ทรมานเพื่อพระเยซูยอมอุทิศถวายแด่พระเยซูชีวิตของเขานั้นเขาปฏิเสธตัวเองติดตามพระเยซูแบกกังเขนของพระองค์ติดตามพระองค์ไปพี่น้องครับชีวิตของเขานั้นเปื่ยเน่าไม่มีเหลืออะไรครับตัวเขาจ อ, อไปแต่จะกลายเป็นกลายเป็นผล ที่เกิดมากมายทีเดียวในการถวายการสรรเสริญพระเจ้าพวกนี้เชาววันนี้นะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านครับก่อนที่ผมจะจบการเทศนาในวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าพระวิญญาณทรงนําเที่อมอยากจะใหพ้พี่น้องทุกท่านได้ก้มศีรษะลงนะครับและอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวให้คําพูดคําตรัสของพระเยซูที่บอกว่าไม่ไดเข้าถ้าไม่ได้ตกอยู่ในดินหมายถึงชีวิตของพวกเราแต่ละคน ถ้าหากไม่ได้ตกเมดินไม่ได้ถวายกับพระเจ้าไม่ได้เปื่อยเน่าไปไม่ได้ปฏิเสธตัวเองไม่ได้แบดกังเขนติดตามพระเยซูไปเราก็จะเหลืออยู่แค่มเมล็ดเดียวแต่ถ้าได้เปื่อยเน่าไปแล้วพระเยซูสัญญานะครับจะเกิดผลมากเมื่อเราเกิดผลมากเราเป็นสาวกพระเยซูเรากําลังถวายเกียรติพระบิดาเจ้าให้เราร่วมใจกันในที่นั้น ข้าแต่พระเจ้าขอกรบพระคุณพระองค์สำหรับพระเจ้าของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาถึงชีวิตของข้าพงศ์หลายทุกทุกคนหลังให้พระเจนะนี้ได้ตกมาในดินดีเพื่อที่จะเกิดผลสามเท่าบ้าง60เท่าบ้างและหน0่อเท่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอารักขาชีวิตของข้าพงศ์หลายแต่พระเจ้าผู้ทรงสัต์ซื่อพระองค์ผู้ทรงเป็นกำลังของข้าพงศ์หลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก ข้าแต่พระเจ้าขอการทรงนำของพระองค์มาถึงชีวิตของประชากรของพระองค์ลูกๆของพระองค์ทุกๆุกคนในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าขอปรินาตัวถวายแด่พระองค์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่พระองค์จะทรงใช้ชีวิตของข้าพเจ้าตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้ข้าพเจ้าได้เห็นความสัตด์ซืทอิ์ของพระองค์ให้ขราพเจ้าที่จะตัดสินใจที่จะติดตามพระองค์จ่ายราคาของความทุกข์ยากลำบากขอทรงโปรดช่วยข้าพเจ้าที้เข้าสู่พระสิริของพระเจ้าด้วยการสำนึกในพระคุณและความรักแต่รู้ความจริงในการรับใช้พระเจ้า พื่อที่มูลายจะตัดสินใจเดินตามพระองต่อไปด้วยความภาคภูมิใจแต่ด้วยก็ ม, มีความรู้สึกว่าพระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสมควรแก่การสันเสริญท่ามกลางความทุกข์ยากลํา บ, บากท่ามกลางความท้อใจท่ามกลางอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงนําให้ชีวิตของสเตนเดลนั้นเป็นตัวอย่างให้กับข้าพงศ์เนื่องหลายขอขอบพระคุณพระองค์สาหรับชีวิตของท่านที่ทําให้ข่าวประเสริฐไปถึงอีกเผ่าหนึ่งอีกชนชาติหนึ่งซึ่ง้าพงศ์เนื่องหลาย สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนแบบอย่างจากท่านเพื่อชีวิตของข้างหลายนั้นอยู่เพื่อพระองค์อยู่เพื่อพระเยซูได้มีคุณค่าอย่างแท้จริงขอขอบพระคุณพระองค์กราบทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพเจ้าอวยพรครับ